ถ้าเราเอาวาระของจิตและสิ่งที่กระทบจิตเด็กเขามีอารมณ์น้อยครับอารมณ์ก็ไม่มากควาจมจำมันก็ไม่มากนั้นยิ่งเด็กเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเด็กเกินไปมันก็กอีกเรื่องนะตรงข้ามครับราอายุ ม, มากๆเราสั่งสมประสบการณ์มากเราคิดมากจิตสมนึกของเราสลับซับจ้อนทางออกของเราจึงหนุนนังกลัวพลับ เราบางทีปัญหาของเราอยู่ตรงเราอยากเป็นอรหันด้วยแล้วอยากมีกิเลสพร้มพอมกันด้วยครับคือ <c oughs> เรามีเมงินมากด้วย <c oughs> มันมันเลยต่อยาเหมือนเหมือนอะไรบางสิ่งซึ่งซึ่งเป็นฝักฝายอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเหล่านี้มีมากเลยครับต้องคนฝายที่ศึกษามันมีเรื่องในแผ่นดินจีนนะครับน่าสนุกไม่เพียงสนุกอย่างเดียวนะครับชวนคิดว่า ด้วยประสิทธิภาพของการสอนอันแม่นฉมังของคณาจารย์นิการเซนอะไรล่านี้นะซึ่งเรามักจะฟังมาในเรื่องตลกขบขันฝรั่งเจอหน้ากันแล้วถามว่าเล่าเรื่องเซนผมฟังเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกครับเพราะาเรื่องราวเหล่านั้นชวนชวนคิดในแง่ตลกเช่นอาจารย์ถีบลูกติดเต็มแรงแล้วก็บรรลุธรรมอะไรองนี้นยแต่ถ้าจริง <S <S เรื่องเหล่านี้มีด่า ด, ดื่นในวิจยาลัยฝ่ายบ้านเรานะครับ เราต้องไม่แยกแยะว่าบ้านเราเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงนะครับแล้วมหายานไม่ใช่เราจะคิดอย่างนั้นครับพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเหมือนยกลูกหัวใจบริสุทธิ์แท่งเดียวแล้วมันแตกมันสองเสียงครับเพราะนั้นคนผู้ถือซีกหนึ่งของหยกไว้มีแต่จินตนาการถึงีฝ่ายหนึ่งจนกว่าเราจะนำซีกยกลูกหัวใจนี้มาต่อเชื่อมกันเราจึงเห็นแท้จริงเป็นเรื่องของใจครับมันเป็นเรื่องของทุกคนซึ่งมีใจนั่นแหละ ในใจของเรานั่นเองไม่ใช่เรื่องสําหรับตาํามร่ามีเรื่องหนึ่งที่เขาวาดเป็นภาพพระกราบโรงแรมครับพอท่านไปไปศึกษาเซนจากอาจารย์จ้างสอนว่าต่อไปนี้เธอก็อย่ามีใจนะคือใจมีแต่ย่าหยายมันมีขึ้นมาอะไรบนน้องนั้นไงถ้ากรเด็นนิเรื่องเรื่องกํกาหนด เรื่องไม่มีใจมาเลยบังเงินเราผ่านลงโรงแรมโรงพักค่อนเดินทางครับสตรีที่เป็นนักร้องก็าร้องเพลงเที่ยวผู้ชายนะครับในเนื้อเพลงบอกว่าถ้าเธอไม่มีใจต่อฉันเราก็สิ้นสุดกันพระองค์นั้นได้ยินได้อีกแบบนะครับเข้ากับอารมณ์ท่านพอดีท่านว่ากันว่าท่านบรรลุธรรมที่ตรงนั้นจะนึกขอบคุณเหตุการณ์และผู้หญิงที่ร้องเพลงคือถ้าไม่มีเธอร้องวันนี้ก็ไม่มีท่านวันนี้เหมือนกันเราไม่รู้จะกล่าบอะไรหรือล่าบโรงแล้วครับ ฟังดูตลกแต่ผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกครับอย่างกรณีที่สังคิรยาล์ค้ยหลางซึ่งสมัยเป็นเด็กหนุ่ ม, มาอายุน้อยๆกลับากปัดปืนครับแล้วก็ผ่านบ้านหลังหนึ่งมีคนท่องวัชระเฉติกาูตรบังเอิญพอมาถึงประโยคที่ว่าคนเราควรจะใช้จิตให้เป็นอิสระใน ท, ทุกเมื่อเท่านั้นนะครับท่านสว่างสวในชีวิต สิ่งสำคัญมากก็คือแสงสว่างในตัวเรานะครับจิตใจเราที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของวัตถุมากมันทําให้แก้วใจผมใช้คำว่าแก้วใจนะออกแสงมันไม่ทํางานเหมือนกับมีแก้วดวงหนึ่งโครนเปนหมกหมกโครนอยู่แสงสว่างมีอยู่แววแววนึกที่เรียกว่าน้ําเพชรเขา ม, มันมีอยู่แต่ไม่ทํางานครับเพราะมันถูกปกปกลุมอยู่ นั้นการภาวนานั้นไม่ใช่อะไรอื่นครับก็คือการลอกสิ่งที่ปกคลุมออกและสิ่งที่ปกคลุมเป็นชั้นๆมากับความคิดครับมันไม่ใช่ตัวความคิดแต่มันมากับความคิดเหมือนกับว่าที่คโคลนไม่ใช่รองเท้าครับแต่ทุกครั้งที่เราเดินขึ้นมามันพามาด้วยในการภาวนาที่แม่นฉมังตามคมสืบส่วนทวงผมนะและปรอดถนาบรรลุผลไม่ใช่เพียงในเป็นนักปลาด ทรงวิชาการเท่านั้นนะครับก็คือการดูความคิดครับถูกแล้วครับการดูความคิดไม่ใช่งานที่ง่ายเลยเราใช้ตาเราดูว่าดูควายดูพิชิงดูชาวนานปีแล้วเราก็ได้รับผลประโยชน์จากมันเราดูละครสนุกก็ได้รับความบันเทิงใจดูเรื่องเศร้าเราก็ปล่อยเศร้าสงสารตัวเองถ้าสังเกตตัวเองดีนะดูละครแล้วตัวเราเข้าไปเล่นด้วยทุกเรื่องเลยครับผมพูดเท่านี้คงเข้าใจนะครับบางที สงสารตัวเองขึ้นมาเนื่องจากเรื่องในละครนั้นมั้นทุกครั้งที่ความคิดเกิดความคิดนำสิ่งที่อาสวะเข้ามาอาสวะก็ไหลต่อเนื่องเหมือนลําธารซึ่งไหลลึก น, นยากที่จะจัดการมากครับดังนั้นยุทธศาสตร์ในการภาวนา น, นั้นคือการเร้าความรู้สึกสดๆครับผมใช้คำพูดนี้อาจจะฟังแปลกใหม่กับบังท่านแต่ทุกคนที่คุ้นเคยจะรู้ว่า มันเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับคําว่าเราความรู้สึกสดสดคือคือมันไม่ได้อยู่ในความคิดคําว่าสดสดแล้วเพิ่งสัมผัสใหม่ๆยุทธศาสตร์แห่งสัมผัสบริสุทธิ์บนฐานการเคลื่อนไหวครับเช่นพอเราแกว่งมือมันก็เย็นวูบๆเหนะ็นไหมหรือหายใจเข้ามันก็รู้เย็นเข้าไปในช่วงอกหายใจออกนี่ไม่ได้อยู่ในระบบความคิดความคิดจะคิดถึงอะไรก็ตามได้แต่อันนี้จะเป็นระบบสัมผัส ในตัวมนุษย์เรามีสองระบบนะระบบหนึ่งระบบที่มันจะแปลงสิ่งที่มันประสบให้เป็นมโนภาพเพื่อเพื่อมิติที่ลึกของชีวิตเป็นการงานของสมองและพลังนาจของสมองในการสร้างจินตนาการนั้นมหาศาลใน ม, มนุษย์นะยิ่งกว่าสัตว์กว่พันใดทั้งสิ้นครับชา้างมหฮาวัวไฟสู้ไม่ได้นั้นนะครับเมื่อแต่เด็กเล็กๆก็รู้ความได้ในพลังจินตนาการเขามากมายนะครับเขาจินตนาการ ถึงข้างหน้าถึงอดีตได้ในขณะที่เผ่าพันธุ์ศัตื่นนั้นทําได้น้อยมากครับ ด, ดังที่ผมบอกแล้วว่าพลังจินตนาการได้เป็นรากฐานอารยธรรมของมนุษย์แต่ภายใต้การพัฒนาการอารยธรรมนั่นเองสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าการห้ามหันกันนะครสงครามใหญ่ๆสองครั้งมนุษย์ตายเงินเบอือเลยนะสงครามย่อยๆเป็นล้านครั้งสงครามระหว่างเผ่า สงครามข้ั้งหน้าจะเป็นไรเรายังไม่รู้เนื่องจากประสิทธิภาพของมนภาพของพลังจินตนาการครั้งจินตนาการเลยให้ทั้งคุณเป็งโทษเด็ดเร็นะครับ ม, มีคนไปถามอันเบิร์ไอ์สไตน์ว่าให้ช่วยพยากรงครามโลกครั้งหน้าเขาบอกเขาพยากรณ์ไม่ได้แต่ถ้าครั้งที่สแล้วได้คือมนุษย์จะเริ่มใช้ก้อนหินทุกหั ว, น, วนี่คนนึงคือมนุษย์จะสูญเผ่าพันธุ์้ต้องเริ่มต้นกันใหม่ นี่คือประสิทธิภาพของสมองนะเพราะฉะ น, นั้นความเจ็บปวดในสังคมของมนุษย์ก็เกิดจากความชันฉลาดของสมองยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยดึงออกมาใช้นี่คือสิ่งที่เราทอดทิ้งองค์อินทรีย์ที่สําคัญหรืออาจจะายะนาที่สําคัญนะครับผมอยากจะเรียกว่าอายะธนะที่ไม่มีความทุกข์ครับมีอยู่ จะเปรียบเหมือนกับว่าทางเดินในป่าซึ่งคนเขาเคเดินมาสิบสิปีต่อมาหมู่บ้านร้างครับทางก็เริ่มค่อยค่อยติดหญ้าก่ ค, ค่อยขึ้นทางยังมีอยู่ครับแต่ไม่มีคนเดินอีกแล้วครับเราไม่เคยดึงเอาอพลังบริสุทธิ์ของสัมผัสนั้นมาใช้ในการงานแต่เราใช้ความคิดตลอดจะล้างชามเราก็ล้างตีส้วนล้างนั้นจบจบต้องคิดโน้นคิดนี่คิดโน้นคิดนี่มาตลอดเวลาแทนที่จะประมวลความรู้สึกสดสัมผัสน้ํำเย็น ล้างโดยไม่ต้องขึ้นกับการเวลาแต่ไม่ใช่เสแสร้งนะมันเน่าช้านะล้างตามปกติเนี่ยครับในสุกระบบสัมผัสจะกลับคืนมานะรอยค้นพบว่าเมื่อเราล้างชามด้วยระบบสัมผัสเราไม่ไม่หยุดแค่ล้างชามรเราก็ลังตามติดรอยบาทของพระเจ้าไปด้วยครับนี่ไม่ใช่คำโฆสนาชวนเชื่ อ, อยาสีพันเยองใหม่นะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อเราสํารวมตัวเรามาดีพอนะครับ กลับเข้าไปในเนื้อในตัวดีมันจะเผยอายตนะไม่มีความทุกข์ในตัวมันพระเจ้าบางครั้งท่านอุปมาขันห้าเหมือนกับเต่าตนะเมื่อเต่ากดทุกส่วนของเอว้วังเขาเ ข, าเข้ามาในกระดองอะไรก็ทํามันตรายเขาไม่ได้แต่ถ้าก็ยื่นมาเมื่อไหรเด็กก็เอามีดตีเอามีดถ่นหรือเสือกัดเขาได้แต่กระดองเขาเป็นเครื่องคุ้มครองที่สําคัญและเกิดติดตัวกับเขามาด้วย ติดมาตั้งแต่เกิดเยเรื่อกระดองเต่ากับเต่านั้นเป็นเดียวกันไม่มีกระดองเต่ามไม่มีครับเต่าก็มีกระดองก็หมดความเป็นเต่ า, ท, าทันทีมนุษย์กับสภาพปกติเหมือนกระดองเ ต, า ต, าตา่ากับเต่าถ้าจะพูดว่าตัวเราที่แท้จริงมันคือใครครับคือสภาวะปกติครับแล้วปกติอย่าถามผมนะว่าปกติยังไงปกติคือปกติครับเพราะว่าความปกตินี้มันมันจะบอกตัวมันเองครับมันเหมือนมันมีปาก บอกนี่ยังไงเช่นเดียวกับความเงียบกับเราอธิบายความเงียบยิ่งอธิบายเรายิ่ง ห, าห่างไกลนะเสียงอธิบายเราจะลบโกนแล้วปกปิดสิ่งเหนี้หมดเลยหรือช่องว่างที่อยู่ข้างหน้าเราร้อยวันพันปีเราไม่เคยรู้ครับว่าเราเดินมุดไปมุดมาแต่ถ้ามีทุกคนหนึ่งมีคนบอกว่าคุณเคยสังเกตช่องว่างอันมากมายไม่รู้จบที่อยู่ข้างหน้าคือหรือเปล่า เราก็เริ่มเอะใจใช่ั้ยครับเราก็เริ่มกระดมความเข้าเกแต่เราจะเห็นมันตรงๆไม่ได้ครับเพราะมันเห็นผ่านทางนิมิตมาเช้นมือผมยกขึ้นมาเราเริ่มรู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างกลางมือสองมือพอมือลงเรารู้สึกว่าช่องว่างนั้นหายไปที่จริงช่องว่างไม่เคยเกิดแล้วมันหายไปไม่ได้ด้วยครับมันอยู่ตรงนั้นแต่เราเห็นมันไม่ได้อาศัยนิมิตสองข้างกาหนดสมมติขึ้น เราคิดถึงความหลุดพ้นได้ครับแต่นั่นไม่ใช่ความหลุดพ้นแต่เราจำเป็นมากที่ต้องกลับเข้าไปสู่รากฐานในตัวเองเหมือนที่ผมอุปมาเหมือนเต่าหดกลับเข้าในกระดองเส้นทางการเดินทางกลับนี้ครับสำคัญที่สุดครับความเจริญงองามก้าวหน้าไม่ว่าของปัจเจศหรือชุมชนหรือสังคมโลกก็คือการเดินทางกลับเข้าสู่านะแรกเริ่มก่อนเกิด เมื่อพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อไวยมิงเนี่ยออกติดตามสังฆปรินายกที่ยังไม่ได้บวชไวหลังนะครับเมื่อจวนตัวท่านวางบาตเพราะว่านักบวชคนนั้นประสงค์บาตระจีวรของเชื่อกันว่าเป็นของทูตเจ้าพระภิกษุไวยมิงก็กราบอุบาสกน้อยที่ต่อมาเป็นสังฆปริณายกว่าช่วยสอนธรรมะท่านดีคงคืออะไรกันแน่สังฆปรินายกองนั้นก็บอกว่า เธอทำจิตใจให้อยู่เนื้อดีเนือชั่วแล้วก็ย้อนรอยไปสู่ภาวะที่ก่อนเกิดก่อนบิดามรดามพบกันนะั่นคืออะไรนี่ไม่ใช่รหัสปริศนาธรรมดาเนาะไม่ใช่ทายเล่นสนุกแต่เป็นการย้อนลึกเข้าไปภาวะก่อนเกิดเพราวะว่าก่อนเกิดมีเบ็ดเสร็จในตัวเรานะคือก่อนเกิดเรื่องเหมือนว่าก่อนเกิดการตุ้งแต่งขึ้มนมาคงคงไม่มีถ่อยคำใดครับทีจจ่จะแจกแจงให้เปิดเผย ถึงภาวะนี้ได้ถ้าเปิดเผยได้ด้วยคําพูดมันไม่ใช่ภาวะก่อนเกิดภาวะก่อนเกิดก็ต่อมเมื่อสิ้นสุดคําอธิบายสิ้นสุดความคิดบุงแตงสิ้นสุดความทะเยอทะยานสิ้นสุดการไขว่คว้าต่างๆแล้วครับฟังแล้วดูเหมือนเป็นเงาทยากแสนเข็ญ น, นะครับตอนนี้สุดเราพบว่าไม่มีทางออกเดิในใดเลยทุกหลักมนุษย์อริมรรคลงป่า ทางเินกระเสริญนั้นไม่ได้อยู่นอกตัวอะไรครับต่อให้แจกแจงเงิน8ข้อแปดประการก็ตามแต่แล้วก็คือจิตดวงเดียวนะครับทางออกที่อื่นมันจะเป็นทางออกไปได้อย่างไรครับถ้าว่าไม่มีทางออกแต่เดิมทีนะครับในตัวมนุษย์มนุษย์จะไม่มีความหวังใดดๆย่างสิ้นเลยครับผมเชื่อโลกวิถีชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่คําตอบ เราก็ลังดําเนินชีวิตยอยู่ในทางซึ่งไม่มีคําตอบครับแล้วก็มันจะวกวนไม่มีที่สิ้นสุดด้วยครับผมอาจจะพูดตามเพลินใจตัวเองตามที่รู้สึกนะครับบางท่านอาจะคิดว่ามีไม่จริงเลยเรามีความหวังเราก็ลังแต่งงานใหม่เราก็ลังได้รถยนต์คันใหม่แต่ขอให้ดูดีๆนะครับขอดูดีๆไปสิ่งอันนี้มันจะใหม่อยู่ตลอดกาลหรือไม่นะครับมันจะใหม่อยู่ทุกๆวันหรือไม่อย่างนั้นดูกันไป แต่ถ้าเป็นยศธนสิ้นทุกโอ้พ่อห่ามันมันมันเป็นอะไรซึ่งไม่อยู่ในเครืองการเปลี่ยนแปลงครับเรามาดูง่ายๆจากความรู้สึกสดผมอ้างถึงความสึกสดนะครับความรู้สึกสดๆคือความที่มันสดๆไม่รู้จะพูดอะไรดีเนะียความที่มันไม่อยู่ในเครือความทรงจำนะความรู้สึกสดๆความรู้ตัวสดๆอนนี้ไม่มีเพศครับมันจับอยู่ที่ร่างกาย ซึ่งเป็นนิมิตหมายของชายหรือของหญิงแต่ความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเพราะผู้ชายก็รู้สึกอันนี้นะฮะรู้สึกตัวนี้ผู้หญิงก็รู้สึกตัวนี้มันไม่มีน้ำหนักไม่มีปริมาณครับไม่มีสีเขียวไม่มีสีแดงความรู้สึกมีสีหรือเปล่าครับตอบไม่ได้วงมันมันไม่แดงมันไม่เขียวครับมันไม่เกิดดังนั้นมันจะดับไปไม่ได้ครับ ถามมันเป็นอะไรไม่มีใครรู้ครับเช่นเดียวคําคำถามหลายคำถามที่ว่าอะไรเป็นอะไรหลายเรื่องที่เราตอบไม่ได้นะครับแม้แต่คาถามทำไมเรายังพูดได้ที่ร้ายที่สุดก็คื อ, คอทำไมความรู้สึกตัวจึงปลอก่าที่เราคำถามดูคล้ายๆบัรยาอ่อนครับลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกตัวจริงๆของเราเป็นอะไรเราพว่อถ้าเราถามย้อนลึกเข้ามาในตัวเองเน สมองเราจะเงียบทันทีมันจะหายซุกซนทันทีครับปกติสมองเรามันจะกระ เ, ด, เ, ด, เดิดกระเดงเรานั่งรถชอบปล่อยบางครั้งเราใช้คำว่าจิตแทนสมองนะครับคือสิ่งที่ทําหน้าที่คิดนึกเราปล่อยปลกความคิดก็เดินไปตามตามใจปรารถนาของมันในที่สุดวันหนึ่งก็กลายเป็นนิสัยติดคิดถ้ ม, มีนิสัยติดคิดแล้วดูจะเป็นเรื่องเล็กๆอยู่นะ แต่วันหนึ่งเราพบว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกับการเสพเฮโรอีนนีดูเป็นเรื่องเล็กๆผงเล็กๆขาวๆไม่น่าจะมีพิษมีความเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนปีนั้นยากที่จะแก้ไขแล้วครับมนุษย์เรานั้นจะว่าเสพสิ่งตา่างๆนะครับเสพอารมารณ์ต่างๆนั้นที่ร้ายกาจที่สุดคือการเสพกับความคิดทุกครั้งที่ความคิดเกิดเราเอากับมันไปเข้มันเรื่อยๆนะ แต่ถ้าเราดึ ง, งความรู้สึกสดๆขึ้นมาคือย้ายฐานเหมือนผมบอกแล้วนะครับว่าจากฐานของตักกับแยกแยะถึงนึกคิดแล้วค้นหาอะไรนี้ย้ายฐานมาที่ฐานของสัมผัสจริงนะครับการย้ายฐานนี่เป็นงานใหญ่มโหฬารมากไม่ใช่งานง่ายเลยครับแต่ก็สำหรับผู้ที่ เข้าใจแล้วผมคิดว่าไม่ใช่งานที่ยากเปรียบเหมือนกับว่าการย้ายรังพึ่งสําหรับคนไม่รู้จักธรรมชาติของพึ่งแล้วคิดเข้าใจผิดย้ายพึ่งทีละตัวงานจะไม่สําเร็จด้วยและเจ็บปวดด้วยนะฮะเพราะพึ่งมันมีพิษอาจถึงตายก็ได้นะฮะแต่สําหรับคนที่รู้จักธรรมชาติของพึ่งดีเขาย้ายพลาชินีตัวเดียวเท่านั้นครับเอาพลาชินีของพึ่ง ไปในที่ใหม่ที่เราต้องการผมงเพื่อ ง, งานต่าจะบินตามไปเองนะครับข้อนี้ผมอุโมงค์มาเหมือนกัว่าความรู้สึกตัวนี้นะครับทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันจะหลุดออกจากความคิดสมมติว่าผมนั่งอยู่คิดอะไรเพลินถึงเพื่อนที่ตายจากกันไปหลายปีเนื่องจากอายุมากเข้าก็คิดเลื่อยเฉยไม่ได้รู้ตัวนะครับสมมติเรามีลมพัดกระโชกเย็นรู้ขึ้นมา โดยธรมชาติต้องกลับมารับรู้นะเพราะร่างกายเป็นแหล่งเหมือนกับเลดา่านะครับประสิทธิภาพวัามากๆที่จะรับรู้และร่างกายเป็นที่สถิตของความรู้สึกฉับไวนะพอมือแว้งนั้นจะเย็นตาพิษตาเย็นวูบสีนะมันรู้ตลอดเวลาแม้แต่ความลืมถ้าเมื่เราลืมจันึกออกมันยังนึกออ ก, ก่าลืมมันรู้จากความลืมด้วยครับ นนกล่าวได้ว่าธรรมชาติอันนี้เป็นสัพพันญอยู่ในตัวมันเองคือมันรู้ได้มันรู้สุกพอสุขเกิดมันรู้ครับทุกเกิดมันรู้แต่ตัวมันไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเหมือนตัวตัวสภาพรับรู้นี่เป็นสุขเดี๋ยวมันจะรู้ผิดไปหมดครับแต่นี่รู้สุขรู้ทุกข์แต่ตัวไม่สุขไม่ทุกข์รู้เขียวรู้ดำรู้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้อ่อนรู้แข็งเวลาลืมก็รู้ครับรู้ลืม เวลางโง่ก็รู้ว่าโงกครับดังนั้นเราเห็นประสิทธิภาพอันนี้นะฮะแล้วเราพดุมตัวนี้ขึ้นมาครับกระตุ้นในตัวนี้ทําหน้าที่กันทุกที ท, ทีขึ้นมาทวงดุลกันก่อนกับพลังอานาจของความคิดนั้นความคิดก้อพลังอำนาจความคิดกับพลังของความรู้สึกตัวเริ่มได้ส่วนกันนะต่อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบรรารที่นรงอกลีกลืครับในเรื่องรงมกลีนทั้งนี้ไม่ได้หมายว่าให้เราเลิกใช้ความคิด เราเลือกใช้ความคิดเรากลางต่อไม้ตันทีครับเราปล่อยให้ความคิดมันคิดอยู่ครับแต่ทุกครั้งความคิดเกิดเราต้องเอาชนะมันให้ได้มาตรการสําคัญที่สุดอันนี้นะครับเปรียบเสมือนมงกุฎของพราชาเพราะว่าพราชาหมายถึงกรรมฐานนะครับเครื่องหมายของพราชาคือมงกุฎที่จริงพูดไปแล้คือจิตตาทุปสนานะครับเป็นภาษาวัดจิตคิดขึ้นมาต้องรู้ทันทีครับดังนั้นพอมัน คิดวูบว่าไปให้รู้นานเข้านะครับเรื่องที่คิดเป็นสิทธิเรื่องจะสั้นเข้าสั้นเข้าคือคิดสั้นเข้ารู้ตัวไวขึ้นอย่าที่กลัวว่าความคิดสั้นแล้วจะไม่ดีนะเราบํารวจเล็กๆ็กจะเพราะว่าความคิดมากมายส่วนใหญ่ที่เรามีในหัวขยะทั้งนั้นนียครับซึ่งเรามีความคิดน้อยแต่ว่าทุกความคิดแจ่มใสชัดเจ น, นดีที่สุดครับโดยย่อแล้วก็คือกระตุ้นความรู้สึกสด ขึ้นมาเพื่อจะตัดกระแสความคิดเพราะในกระแสความคิดนั้นแม้ความคิดจะ่ใช่ต้นเหตุของความทุกข์ยากแต่มันเป็นมันพาสิ่งอื่นมาด้วยสิ่งที่เรียกอาสวะทั้งหลายนะครับ อาจาเรียนถาม ว, ว่าความรู้สึกตัวสดที่อาจารย์พูดนะคะเป็นอันเดียวกับสติหรือเปล่าแล้วก็เวลาที่มีความรู้สึกตัวส ด, ดเนี่ยจิตจะว่างหรือเปล่าครับสองคำถามครับความรู้สึกตัวเป็นสิงเดียวสติหรืไม่ <c oughs> สติจริงๆเป็นภาษาบาลีครับโดยตำราแล้วก็แปลว่าความความรู้ตัวความเจนักลึกก็ได้นะครับแต่สติ ไในความหมายธรรมดาสามัญนั้นไม่เหมือนความรู้สึกตัวในที่ผมหมายความเลครับเช่นเราพูดว่ายื่นมือไปถูกแก้วโดยมีสติอย่างนี้อยนี้ก็ใช้ได้นะคำว่าสติแต่ความรู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่เหมื น, นครับเรามีขวดใบนะครับอ๋อเรามีขวดหรือแก้วน้ําอยู่มีน้ํามรจุอยู่เต็มนะครับ สมมติเราผมมองดูสมมติถ้าขวดนี่มันโปร่งผมก็เห็นแต่ขวดไม่ไแน่าจะมีน้ํารอกเพราะมันเต็มเปี่ยมไม่มีเครื่องหมายแบ่งแยกเลยนพอผมยกขวดน้ําไปน้ําก็ไปด้วยครับนั้นความรู้สึกตัวนี่มันมีอยู่ในเราตลอดเวลาผมยกมือในความรู้สึกตัวไปด้วยทุกคนคือความรู้สึกตัวครับเมื่อผมพูดถึงความรู้สึกตัวนั้นหมายทีงพูดรวม คุ้มๆมัอนนะแต่ถ้าพูดให้สั้นมว่านั้นอีกซึ่งหมายนี่มันมั น, มนพัฒนาไปเยดับเมื่อเมื่อรู้สึกตัวมากๆแล้วมันจะละเอียดอ่อนขึ้นนครับผมใช้คำความรู้ตัวในความหมายหนึ่งคือสัมัญ ญ, ญาณนะครับที่รว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็ตามใจนะครับถ้าละเอียดขึ้นมากกว่านั้นนะครัเป็นรู้ล้วนๆครับรู้เฉยๆ สมมติมีลมพัดมานะครับลมเย็นพัดวูบมาเนี่ยถ้ารู้ไม่เฉยคืออ้อมีลมเย็นพัดมามันคิดลุงแต่งด้วยครับลมกำลังถูกกายเราเย็นดีสบายดีอย่างนี้เรียกลู่แบบปรุงแต่งครับส่วนรู้ล้วนๆหมายความว่าพัดวูบมาเนี่ย ม, มันผ่านเลยครับมันไม่ไม่จดจำสิ่งนั้นไว้ดังนั้นความรู้ล้วนๆ ค, ความรู้สึกตัวล้วนๆ น, นะครับยใครที่จริงความพ ย, ย, ยากรณ์ก็เรียกพุทธะครับ สภาพตื่นสภาพรู้เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าในจิตใจทุกดวงซ่อนแฝงพลังของความตื่นไว้อย่นั่งตรงนี้นะครับเราก็นั่งอาจจะบางท่านอาจจะง่วงบ้างก็ได้แต่ถ้าใครสักคนหนึ่งเอางูเห่าตัวโ ต, วตวโยนลงมาทุกคนจะนิ่งไม่ได้ครับต่อให้ร่างกายนิ่งอยู่แต่จิตใจมนตื่นวู่นวายอย่างนี้ดังนั้นพลังศักยภาพอันหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ จิตทุกดวงครับคือความตื่นแต่เราตื่นไม่มากครับขณะนี้เนี่ยเราต้องปลกร้างมันตื่นมากกว่านั้นความตื่นอันนี้บางทีก็เรียกพระพุทธเจ้าวยโรจนชนะอะไรเียมันตื่นสว่างสวัยขึ้นมาดังนั้นเราเป็นเม็ดพันของพรุทธเจ้าครับเราไม่ใช่องค์พระุเจ้าที่บริบูรณ์แล้วแต่ทุกคนมีธรรมชาติของความตื่นซ่อนแฝงอยู่ เหมือนเปรียเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักหรือมเมล็ดพันธุ์ต้นไทรนะครับถ้าเราหยิบเมล็ดพันธ์ต้นไทรมาชูให้เด็กดูบ่หนูเชื่อไหมว่าในนี้มีต้นไทรเป็นแสนต้นเลยเชื่อไหมเด็กบอกไม่เชื่ออย่ามาโกหกเดอยร์ยากแต่เด็กก็ถูกนะเด็กไม่เชื่อเพราะลําลพังมเม ล, ล็ดพื้นไม่มีอะไรจริงจนะแต่ท่านผู้ใหญ่ที่รู้ความนะครับมีประสบการณ์ด้านปลูกต้นไม้เขาเอาไปลงดินแล้วระมัดระวังอย่าให้มะแลง อ, อุปศรกดิใดเกิด ก็เกิดเป็นต้นสายใหญ่ออกลูกออกหลานเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้จบเลยครับท่านอาายก็สันนั้นครับมนุษย์ก็คือมเมล็ดพันธุ์ของพุทปาการโาวนา น, นั้นคือการเพราะปลูกเร้าให้มันตื่นขึ้นมันช่างน่าแปลกจริงครับที่เรานั่งตรงนี้เราสลืมสลือง่วงพะไครพูดยิงเปลือยขอโทษนะฮะเดินผ่า น, นตื่นเต็มตาเลยแต่ตื่นด้วยอานาจของอุปาทาน ทำไมไม่ตื่นด้วยพลังในตัวมันเองนะครับชาร์จพลังมาเองคให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจะรับรู้โลกที่จังสาสและชัดเจนกว่า น, นี้แล้วเพราะว่าในขณะเราง่วงนอนความคิดเรารุมแต่แกลัดแล้วเราไม่มีแรงต้างเราปล่อยให้ความคิดต่างๆที่เราไม่ตากกระนางเข้ามาย่อมดีขณะที่เราชึ่มกระตือนี้หรือขณะที่เรานั่งรถไปต่างจังหวัดง่วง ไอ้ส่วนหนึ่งก็รู้ด้วยว่าคนมองอยู่นะหน้าาอายน้าดีน่หูน้าผาโคมนักทันหน้าเแต่ไม่มีกำลังที่จะตื่นแต่พอรถชนเงินโครมตื่นจําสายขึ้นมานั้นทางภาวนาไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ดึงพลังที่ซ่อนอยู่ให้มันตื่นามากกว่านั้นผมจะยกตัวอย่างนะครับอุปมาหลายลายอุปมาเหมือนที่ต้องการ เราเป็นนักเรียนกันทุกคนนะครับเคยผ่านชั้นประถมชั้นวิทยมอะไรก็ตามใจแล้วส่วนใหญ่คงรู้เห็นการลงโทษของครูเช่นเรามาเรียนสายลืมทํากันบ้านครูก็ให้ยืนยกขาข้างเดียวบ้างปากคาบไม้บรรทัดบ้างเล็้ออะไรเพื่อนแทบแทบแสกมันดนิ้นหนีเลยใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับเราก็รู้สึกอายเพื่อนรอก็ต้องไล่แต่ไล่ควนกันให้ยุ่งกันหมด20ปีให้หลัง โต๊ใหญ่มาเรียนหนังสือนักหาแล้ววันงานขึ้นรุ่นรุ่นเล่านั่นแหละเล่าเพื่อนฟังอย่างคึกคื้นในความเศร้าของเราเองเราเล่ามันอย่างคึกคื้นสนุกมีความสุขต่อเรื่องเพียครั้งหนึ่งเราจะบปวดแสนสาหาัสผมตั้งถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นชายผู้นี้เอาชนะความเจ็บปวดได้อย่างคึกคื้นเลยนักแสดงขอามุษย์ทุกคนนะครับ ซ่อนพลังความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคซ่อนไวอ้อย่างอย่างอย่างดีเลยนะครับแต่มันกินเวลาตั้งยี่สิบกว่าปีกินจะฟื้นตัวได้แต่สำหรับบางคนนั้นเขาฟื้นตัวได้เร็วมาก น, นะครัคำถามก็คือศักยภาพในการอยู่เหนือความทุกข์ศักยภาพที่จะทำให้ตัวเอง เปล่งแสงที่ที่ไม่ทุกข์บางครั้งคนเรียวอายตณะที่สิ้นทุกข์นะมีอยู่ในตัวเราทุกคนขึ้นเพราะว่าเราจะทำมันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราไปนั่งสงบแบบสมสาธซึ่งครูอาจารย์ของพระเจ้าสององค์นั้นสั่งสอนท่านนะพระเจ้าจับดาวไม่ได้ทางขาวออยพูานั่งสงบนั้นมันก็สัมผัส ความสงบสุขได้ดึม ด, ดันได้แต่เนื่องจากเราไปสะกดะกดทับมันอยู่มันแสดงตัวเหมือนกับเราอปี๊บคลุมหัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคนในห้องนี้ซึ่งไม่ตรงกับที่เป็นจริงเลยนะฮะพาะสงบชนิดที่เกิดจากการจทำมันไม่ไทิ้งท้าถาวรนะรมึงไม่ได้ทําหรือในโอกาสในข่าไว้ร้องใหม่มันก็ไม่สงบแล้วข้อจริงอันหนึ่งที่น่าตกใจนะครับ คนที่สงบมาก ๆ, ๆาะะนี้สมัยหนึ่งร้ายกาจมากนะเพราะเก็บกดไว้ตลอดเวลาพอระเบิดออกมาทีนี้เอาไมา่อยู่นะครับที่จริงมีความสงบอีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เฉลียวใจสงบเพราะรู้ตัวคนระับเหมือนก็คือหนึ่งเรานอนหลับฝันว่าวิ่งหนีสีหรือเสือจะกัดในฝันเราตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะครับสุดแรงเกิดเรกลัวด้วยนะแต่ก็เราตกใจตน หัวใจยังเต้นอยู่นะแต่เราไม่กลัวแล้วเรารู้ความจริงกันแล้วมันไม่มีแต่ว่าอาการกลัวยังดําเนินแต่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราไม่ต้องทาอะไรเลยกับความกลัวนะั้นกับอาการทางจิตใจนั้นนะครับยิ่งไม่ทำเท่าไหรนะ่ในจิตใจยิ่งปกติขึ้นหมดไปขึ้นเองครับนั้นปต่การสำคัญที่สุดคือต้องตื่นก่อนถ้าไม่ตื่นยังต้องวิ่งหนีกันอีกนา น, นครับโดยเหตุนี้นะครับการภาวนานั้น การทวนกระแสะเพื่อให้เข้าถึงต้นต่อก่อนหน้าที่ความคิดจะปรากฏขึ้นแต่เรื่องทั้งหมดละครโรงนี้อยู่ในตัวเราครับไม่เกี่ยวเครื่องแบบการออกบวชุู้ดงไอการบวชุู้ดงส่งกรดีนเป็นรูปแบบพัฒนธรรมนะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นละครที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราซึ่งเราต้องจัดการอย่างโดดเดี่ยวเดียเครับและครานี้ผมหมายว่าไม่ใช่ห้ามการคบเพื่อนการมีกระยาณนิดนึงสิ่งที่ดี แต่ว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาได้ในตัวเร า, ราเรื่องมันเกิดในเราต่อพระพุทธเจ้าสิบพระองค์เนี่ยครับท่านช่วยเราไม่ได้ครับผมไม่ได้พูดได้ทอแท้นะอย่างผมผมนั่งอยู่อย่างนี้นะผมกระพิจารทุกท่านก็สังเกตา้าวผมยังเป็ น, เ ป, นเป็นอยู่ยังไม่ตายผมแกล้งไม่กระพิจารแต่ผมอดหายใจไม่ได้นคนที่อยู่ใกล้ก็สังเกตเห็นว่าผมยังเป็นเป็นอยู่อ๋อผมแกล้งหยุดหายใจด้วยนะ ผมคิดอะไรรู้ไหมครับถ้าผมไม่ดูสักคนเดียวนี้จะไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นอีกเลยนะด้ความคิดเกากแล้วก็พะเจ้าก็ดีครูก็ดีนยะธรรมะแ0ด0มืนสีพระ 4, รรมแปดหมืนสี่พันยืนขึ้มาไม่ได้เลยครับมีคนเดียวมีธรรมชาติหนึ่งเดียว